ที่เราเคยสวยอหากันเราพยายามเข้าหาสาราธรรมในหลายจุดหลายประตูแต่ก็เข้าไปไม่ได้แต่ท่านบอชีบอต้องเข้าจุดนี้เนี่ยเราก็เข้ามุ่งเข้าจุดนั้นจุดเดียวก็ปรากฏว่าไปะทะลุถึงจุดนั้นให้ได้เหมือนเหมือนกับสมัยนี้ที่เราหุดน้าบ่อบระดานเนี่ย